พระธรรมเทศนาแผ่นที่90สลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าถึงเวลาพูดต้องพูดถึงเวลาฟังต้องฟัง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 มาแสดงความคิดเห็นบางครั้งเราก็อืมมันคงจะเป็นอย่างเราก็มังบางครั้งก็ยุ่นยวนแต่ทางเขาบอกพูดแบบไม่รับผิดชอบแบบทะลึงไปเลยอนั่นไม่ได้เออไม่ได้ก็ลูกเลยลูกเลยว่ะในพูดอย่างนี้พูดไม่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องโดนดุด่าว่ากล่าวเป็นธรรมดานะนี่แหละอที่หลวงพ่อพูดในที่สาธารณะอย่างที่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 ดีกว่าที่เป็นผู้พูดนะครับเป็นผู้พูดถ้าพูดจะไปสปะก็ยังว่าดเผอเผยยังเว็เป็นที่ตำาหนิงอีกต่างหากถ้าเราเป็นผู้ฟังเราจะได้ความรู้ในการฟังไปไปนัสถานที่ใดให้เป็นผู้ฟังเป็นผู้ฟังจะดีกว่านะเป็นผู้ฟังจะดีกว่าถ้าถ้าจะให้พูดเอานนมูลท่านพูดพอพูดแล้วก็เป็นผู้ฟัง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 ดูแลโลครคภัยไข้เจ็บองหลวงตามีทั้งสิริราชมีนะับหมอใหญ่มาเลยล่ะศาสตราจารย์ไม่รู้กี่ท่านแล้วก็ขอนแก่นอีกมีคณะบดีมีรองทั้งหลายคนแล้วก็มีหมออีกแล้วก็อุดร อ, อีกทั้งพอ อ, อทั้งหมอมาประชุมกันหลวงพ่อก็นั่งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็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 ป่อให้พูดแต่ละคนละคนสแสดงความคิดเห็นเราเป็นผู้นั่งฟังนี่แหละอันนี้แปลว่าเราจะได้ความรู้หรือว่าความเข้าใจในเรื่องนั้นๆชัดเจนเหมือนกับเรายืนนิ่งเรายืนนิ่งหัวตาก็าไม่กระพริบเลยหรวดลับตาเลย น, ะนิ่งฟังแต่คนอื่นเ็าแสดงพูดพูดพูดพูดพู ด, พด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 เราก็จะรู้ได้นะแต่เรามีสตินะถ้าเราไม่มีสติอย่างว่านะทำยังไ ง, งมันมไม่มีสตินะเออละเหยลอยลมไปเลยแมาแรงวันบินเข้าปากก็ยังไม่รู้จักว่าเป็นอะไรบินเข้ามานะพา ะ, ะไรพอเราไม่ไม่มีสตินะเราขาดสตินะเพราะนั้นสตินสำคัญนะลูกหลานนะคณาจาต ย, ยาโยมนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร